อ่าไคนตะกี้มาหรื อ, อยังธรรมสการค่ะหลวงพ่อจะขออนุ ญ, ญาตส่งกันบ้านนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยจะอยู่กับลมหายใจอะคะ่สะส่วนใหญ่ก็ในชีวิตประจำวันก็จะสังเกตว่าอยู่ได้ไม่นานนะักเดี๋ยวก็หายไปละ <c oughs> รู้ตัวอีกทีก็คือสุดหายใจเฮือกเข้ามาอย่างงี้ะคะ่ะก็จะเป็นลนนักษณะนี้แล้วก็หายไปนานไหมไม่นานก็แล้วแต่บางครั้งะคะ่ะ แต่ถ้าบางครั้งที่แบบเราอยู่กับตัวเองบ่อยๆไม่ว่าอยู่กับตัวเองนานๆไม่ได้แบบมีอะไรวุ่นวายข้างนอกเนะะี่ยค่ะจะเห็นว่าทุกๆนาทีเนี่ยมันเกิดอาจจะครึ่งนาทีหรือสั้นกว่านั้นแต่ถ้าเป็นช่วงที่ทํางานหรืออะไรเงรี้ยอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ไม่ทีขนาดนั้นนะคะแต่ก็จะรู้สึกได้อะคะ่ะเวลาทํางานที่ต้องคิดนะไม่ไม่รู้สึกตัวหรอกนะไม่ใช่เวลาจเจริญสติค่ะแต่ว่าบางครั้งมันก็รู้สึกขึ้นมาเองนะคะแล้รู้สึกเองเป็นช่วง ใจเป็นยังไงเป็นธรรมชาติไหมช่วงหลังๆจะรู้สึกดีนะคะคือจะรู้เบากว่าตอนสมัยเริ่มแรกๆนะคะหลวงพ่อแทบจะเหมือนบางครั้งเหมือนไม่ได้รู้อะค่ะแทบจะเบามากขนาดนี้แหละขนาดนี้รู้ตัวเต็มที่ไหมคิดว่านะคะประคองไว้ดวออกไหมใช่ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นแล้วใจฟุ้งซ่านนิดหน่อยดูออกไหมค่ะประคองนะมีโมหะนะ เนี่ยดูออกไหมนี้ถ้าหลวงพ่อไม่บอกเห็นเองไหมมันจะรู้สึกเหมือนเหมือนไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเรียกม ไ, มไม่ปกติใช่ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นใช้ได้นะค่ะคือคือสภาวะอะไรก็ได้นะขอให้รู้เท่านั้นแหล ะ, ะไม่จำเป็นว่าต้องสภาวะนั้นต้องดีเพราะว่าสภาวะไม่ว่าจะดีหรือสภาวะไม่ดีล้วนแต่แสดงไตรลักษ สิ่งที่เราต้องการเรียนรู้จากการปฏิบัติคือการเห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งกายทั้งใจเป็นไตรลักษณ์เราะนั้นคำว่าดีกับไม่ดีอยู่ที่ว่าเรารู้หรือไม่รู้อย่างจิตของคุณตอนนี้มีโมหานิดหน่อยประคองไว้นิดหน่อยนะถ้าเรารู้ก็ใช้ได้ถ้าไม่รู้ใช้ไม่ได้ค่ะขอถามอีกนิดนะคะหลวงพ่อคือช่วงหลังๆพยายามจะลองนั่งสมาธิดูนะคะ <c oughs> ก็เริ่มจากลงหายใจ จริงๆไม่ได้ไม่ได้บริกรรมพุทโธด้วยซ้ำก็แค่จากรลงไมใจมีบางครั้งอยู่ดีๆมันตกอูบลงไปเลยอะค่ะหลวงพ่อไม่เลยจิตมันลงผวังเฉยเฉยมันมันเป็นปกติใช่ไหมคะเป็นปกติแล้วเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปอย่างนั้นใช่ะก็ไปลผ่านไปนะถ้ามันลงไปอยู่เราก็อย่าไปดึงขึ้นมาถ้าเวลามันรวมลงไปแล้วเราดึงนะจะปวดหัวมันเหมือนถ้ามันลงแล้วดีดขึ้นมาเองนี่ไม่เป็นไรค่ะมันเหมือนลักษณะเวลาเราง่วงนอนกําลังจะหลับอย่างนั้นใช่ไหมคะ อ่านั่นอ่ะจิตมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีสติอ๋อค่ะคือจริงๆเราไปปนกันนะระหว่างมิจฉาสติกับ ส, มสัมมาสติมิจฉาสติเนี่ยนั่งแล้วก็เคลิ้มเคลิมลืมเนื้อลื ม, ลมตัวมีโมหะมันทีนั่งแล้วก็เคลิ้มเคลิมไปสบายใจมีราคะแทรกแล้วไม่เห็นอย่างเนี้ยมันเป็นมิจฉาสมาธิไปหมดลนะถ้ามีสัมมาสมาธินั่นจะรู้สึกตัว เวลาจิตรวมนะรวมนิ่มๆไม่รวมแบบวูบขาดสติหรอกรู้ตัวตลอดสายเลยที่มันรวมมันคล้ายๆคนขับเครื่องบินเก่งๆเวลามันแลนดิ่งลงนุ่มๆรู้ตัวตลอดสายหัดใหม่ๆถ้าสติมันอ่อนไปไม่ชำนานมันหล่นวูบเลยค่อยๆดูนะดูตัวสำคัญที่สุดคือมีสติในชีวิตประจำวัน น, นั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูสิวางไมลลงไป เใครอยากได้ใหม่คนต่อไปคุณผู้ชายนั้นยกก่อนแล้วก็คนนี้เบอร์ร้อยแปดทีหลังนี่อันนี้ก็แปบ๊บหนึ่งนะคุณที่นั่งสมาธิ<ม>เห็นไหมมันน้อมจิตลงไปให้ซึมๆอ่ะเดี๋ยวมันจะหลับนะอย่านั่งอย่างนั้นลืมตาขึ้นมานั่งแล้วรู้สึกไปเห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อยๆอย่านั่งแล้วน้อมอย่างนี้นะหลวงพ่อทําเก่งเมื่าทำผิดมานาน อย่าไปน้อมอย่างนั้นนึกออกไหมอย่าไปน้อมอย่างเงี้ยเราคิดว่าสมาธิแปลว่าขาดสติไม่ใช่นะสมาธิไม่ใช่เคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตจิตตะกีไม่ได้ตั้งมั่นจิตตะกี้น้อมไปมาส ก, การหลวงพ่อครับตื่นเต้นนิดหนึ่งครับอันนี้ <c oughs> ของเดิมนี่เมื่อสี่เดือนที่แล้วนี่มาส่งการบ้านแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าติดนิ่งฮ ตอนนี้ก็ยังยังเป็นอยู่ครับก็ดีขึ้นนิดหน่อยดีขึ้นเยอะเชียวละเหลือติดไม่มากแล้วแล้วก็ยังมีอะไรกั้นอยู่นิดๆบางๆครับบางวันก็จะหนามากเพราะว่าโดนภาวะบีบคั้นอมันห่อหุ้มที่ไหนห่อหุ้มที่จิตหรือครอบศีรษะหรือยังไงที่จิตะส่วนใหญ่จะจะจะมีอัตราเยอะอืช่วงที่โตเถียงอะไรอย่างเงี้ยจะมีมากดีที่เห็นนะ คำว่าหนารู้สึกไหมหนาเหนียวอเงี้ยมันเป็นนิยามของคำว่าปุถุชนเนื้อจิตเรายังเป็นปุถุชนนะมันเป็นอย่างนั้นนะ<ม>เก่งมากนะที่คุณเห็นนะค่อยๆรู้ไปนะที่ฝึกนะ่ใช้ได้แล้วละเหลือประคองนิดหน่อยเท่านั้นนะค ร, ครับขอบคุณคนนี้ร้อยแป้การนมัสการหลวงพ่อครับ พอดีผมมาครั้งแรกแคปหนึ่งนะ ค, คุณผู้ชายที่เพิ่งส่งกันบ้านรู้สึกไ้มหนีไปแล้วเนี่ยรู้สึกไห ม, หไรไหมตรงที่รู้ว่ามันหนีไปนะใจมันตื่นตัวขึ้นมาเนี่ยเราคอยรู้ไปอย่างเนี้ยดูเขาทํางานนะไม่แทรกแซงเขาดูเขาทํางานไปเรื่อยๆบางคนฟังซีดีแล้วจะสับสนผมพ่อเรียกคนนี้นะมาเรียกไปนิดเดียวจะไปคุยกับอีกคนหนึ่งส่วนมากเป็นคนที่งเพิ่งเลิกอะ่ะ ถก็ตอนที่กําลังส่งกันบ้านเนี่ยส่งไม่ได้จริงมันมีการแทรกแซงเยอะพ mm hmm. อไปคุยกับอีกคนนึงนะคนนี้ไม่ได้จงใจละคลายความจงใจแลยเนี่ยตรงนี้เห็นสภาวะง่ายนั้นหลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อมุ่งให้เห็นสภาวะนะนั้นบางทีคนมาใหม่ๆยังงงอย่างเรียกให้คุณร้อยแปพูดแล้วกลับไปคุยกับคนเดิมอะไรเงี้ยหรือเมื่อกี้ก็คุยให้คุณส่งกันบ้านมช่ไมมา จัดการคนที่นั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นวิธีการเท่านั้นนะเป็นวิธีที่จะช่วยงงบ้างอะคนใหม่ๆแต่ว่าอยู่กันไปสักพักหนึ่งก็คุ้นไปเองแหละนะเอาร้อยแปดรู้สึกไหมจิตแอบไปคิดแล้วรู้สึกร<พ>ู้สไหมเมื่อกี้มันคิดคิดคิดคิดครับผมพอรู้สึกบ้างครับขอนะงคุณยังติดกันเพ่งอยู่นะเพ่งแรงไปครับ ต้องคลายการเพล่งลงการเพ่งเนี่ยมันทําให้กายก็นิ่งจิตก็นิ่ง mm hmm. เมื่อมันนิ่งมันก็ไม่มีอนิจจังให้ดูอย่างตอนนี้จิตคุณไปคิดคุณทราบไหมครับผมต้องปล่อยให้มันไปคิดมันคิดเรารู้ว่ามันคิดนะจิตไปคิดแล้วก็คอยรู้เอาตอนนี้ไปคิดอีกแล้วทราบไหมครับรู้สึกไหมประคองอยู่รู้สึกครับเออเลิกซะนะเลิกซะนี่ใส่ประคองไม่เอานะทําให้ช้าเสียเวลา ะจะคุยอะไรก็คุยไปครับผมคือวันนี้นี่ตั้งใจมาขออนุ ญ, ญาตกราบพระอาจารย์เป็นลูกศิษย์นะครับแล้วไม่ต้องสมัครหรอกนะ <c oughs> มาเรียนเรียนนะเรียนธรรมะก็ไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกห<ม>ลวงพ่อก็เรียนไปจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เรียนสืบทอดกันมานะต้นต่อของพระพุทธเจ้าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกหมดเลยในอภิธ o อภิธรรมมีทั้งนั้นแหละไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอก เราถือว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วกันครับผมคุณที่นั่งติดกันนะ่ะคุณผู้ชายอ่ะนะอย่าเพ่งมากเพ่งแรงไปคุณผู้หญิงที่ใส่แว่นตากับนมัสการค่ะรู้สึกว่าจิตใจคือเมื่อวานคุณพอใช้ได้แล้วล่ ะ, ะเห็นไหมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นสภาวะค่ะ เมื่อวานยังอยู่นอกนอกอยู่อะค่ะหลวงพ่อบอกให้มาวัดบ่อยๆวันนี้ก็คือก็เข้ามาเห็นจิตใจตัวเองมากขึ้นเออนะมันได้ที่แล้วใครรู้ไปงั้นอันนี้หนูเห็นสภาวะตัวหนึ่งหนูไม่มั่นใจเหมือนเห็นก้อนทักขค่ะเขามาเห็นทุกข์อะค่ะเขามาบีบคั้นจิตใจเออนั่นแหละใจเราจริงๆนะเรายังไม่เรียกว่าเห็นทุกข์จริงหรอกเราเห็นว่ามันบีบคั้นแล้ทุกข์อะไรเป็นตัวบีบคั้นจิตตัณหาเป็นตัวบีบคั้นจิต ทุกคราวที่เกิดความอยากจะมีการบีบคั้นขึ้นเคนสเคนสเคนนะดีที่เห็นหนูเห็นถูกแล้วใช่ไหมคะเห็นถูกแล้วนะเห็นไหมทําไมเห็นได้แล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาแม้ถ้าจิตไปกว้างๆอย่างเมื่อวานนั้นไม่เห็นหรอกพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาถึงฐานมันนะก็เห็นนั่นแหะคนที่นั่งตรงกลางนั่นแหะหลงไปอีกแล้วนะหลงไปถลําลงไปจ้องใส่มันถอยขึ้นมาอย่าลงไปข้างล่าง ขึ้นมาเป็นชนชั้นสูงอย่ามุดลงใต้ดินไปเอาเมื่อกี้ใครยกมือไว้นี่คนนี้คนนี้ยก น, นี้ยกแล้วเดี๋ยวข้าไปทางนี้กรรมนาัสการลุงพ่อค่ะจะขออนุ ญ, ญาตส่งการบ้านครั้งแรกค่ะก็ไม่ทราบว่าสภาวะธรรมที่รู้กับดูอยู่เนี่ยพอจะใช้ได้ไหมคะพอจะใช้ได้ให้ตามรู้ตามดูรู้เรื่อยๆไปนะค่ะรู้ไปแล้ววันหนึ่งเราก็เห็นจิตเราไม่ตั้งมัน่น แมจิตลรวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาดูออกไหมดูออกค่ะนะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงหลังนี้จะฟุ้งซ่านมากจะคิดมากแต่เดิมก็เป็นแต่ไม่เคยเห็นแต่เดิมก็ฟุ้งซ่านแต่ไม่เคยเห็นหลวงพ่อพาดูฟุ้งซ่านไหมอยากดูไหมย <c oughs> ตื่นเต้นแล้วรู้สึกไหมตื่นเต้นค่ะเนี่ยใจหน่หนึ่งแวบแล้วรู้สึกไหมค่ะนะ แล้วมีอีกนิดนึงค่ะคือจะคล้ายๆน้องสาวก็คือเวลาที่นั่งสมาธิบางครั้งมันก็หลงวู้ไปใช่ไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับใจมันจะเต้นออกมาอยู่ข้างนอกเหมือนกับเราไปวิ่งมาร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยให้ตามรู้ตามรู้ไปนะอย่าไปนั่งเยอะพยายามกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวแว่รู้สึกตัวใจลอยไปแล้วรู้ใจลอยไปแล้วรู้อย่างคุญที่นั่งสมาธิตะเกียที่ว่าติดสมาธิหลงไปคิดแล้ว ผู้ชายนะ้นผูชายนะู้นโอเคขอบพคุณนะคะเอาใครยกมือไว้เมื่อกี้นี้หลวงพ่องงไปหมดแล้วเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาใหม่ละลืมไปหมดละอย่าว่ากันนะแก่แล้วเดี๋ยวไม่ไม่ไปแก่เองก็รู้เองอะก่าวในมรสการค่ะคือว่าเมื่อสองสามเดือนก่อนหลวงพ่อบอกว่าฟุ้งซ่านนะคะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยจิตไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าไหร่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มประคองแล้วก็ตื่นเต้นนะคะรู้สึกไหมความฟุ้งซ่านของเราน้อยลงรู้สึกค่ะว่ามันนิ่มนวลมากขึ้นเรารู้ทันนะจิตใจนุ่มนวลขึ้นรู้สึกไหมค่ะแล้วก็จิตมันก็เห็นจิตมันแวบๆไปแวบมามแต่ว่าไม่เห็นการดับมะค่ะเห็ น, หนการเกิดนะเห็นมันวแว บ, บๆแวบๆนั่นแหละใช้ได้ค่ะก็ขอการบ้านเพิ่มด้วยไม่ทำอีกนะ แตอยประคองอย่างตอนนี้ค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะ้าต่อไปยกมือยกมืออภูมิยกก่อนเล่นยกหลายสิบคนนะ่ะหลวงพ่อจนปัญญานะมันต้องมีเครื่องวัดแล้วมัง้งเนาะช่วงนี้มันมันเบาเบาครับหลวงพ่อเหมันก็ดูอยู่ได้เรื่อ ย, อยจิตเกินธรรมดานิดนึงภูมิรู้สึกไหมภูมิทำเสียงหลอ่อก็รู้ทันนะรู้ตรงไปอย่างนี้แหละใช้ได้ละนะขฮะอต่อไปคือ มันมันเหมือนจะดีแล้วแต่ใจยังมันอะไรนะเหมือนมันเหมือนจะดีอยู่อย่างนี้แล้วแต่ว่าใจมันยังติดอยู่กับสาวครับไม่เป็นไระนะเราไม่ใช่พระอนาคาใจมันชอบสาวก็ให้มันชอบไปเราตามดูมันไปเราอย่าไปจีบเขาก็แล้วกันหรือสาวมาจีบไปจีบสาวครับอ่ะเป็นเน่ง แล้วเดี๋ยวทางนี้เห็นแว บ, บๆอยู่หลวงพ่อคะก็รู้สึกว่าจิตมันมีเปลือกนะคะแล้วทีนี้แม้กระทั่งมันเบิกบานก็ยังมีเปลือกก็ดีนะดีที่เห็นมันไอ้คำว่ามีเปลือกนี่แสดงว่ามันมีอยู่ก่อนมันมีอยู่แล้วเบิกบานหรือไม่เบิกบานก็ไม่เกี่ยวนั่นแหละเปลือกอันนี้คืออะไรรู้ไหมคืออาสวะกิเลสซึ่งมันห่อพุ่มจิตอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วบางครั้งทําไมมันหนักบางครั้งไม่หนักนั่นแหละกิเลสมันแทรกเข้ามา กิเลสที่หยาบแทรกเข้ามาอาสวะเนี่ยนะคล้ายๆรกที่ห่อหุ้มเด็กอยู่<ม>เป็นทางผ่านเข้ามาของกิเลสบางครั้งจิตมันก็ดิ้นรนเหมือนอยากจะออกจากเปลือกออกไม่ได้นะจน <c oughs> เป็นพระราหันต์ถึงเปลือกนี้ถึงจะแตกไป <c oughs> 64ี่ี่นี่ไม่ใช่นี่ทีหลัง64สกลับนมสัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะ ก็มาหลายครั้งแล้วแต่ว่าบรัไม่ค่อยส่งกันบานเบอร์ยี่สิบเก้าตื่นเต้นรู้สึกไหม <c oughs> เราไม่ได้ส่งกันบ้านเลยเราตัวแข็งไปเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยให้เรารู้ทันตัวเองอย่างเนี้นะเนี่ยคุณที่นั่งข้างหลังอะ่ะเสื้อขาวอะ่ะไปดูเขาเห็นไหมดูเขาตื่นเต้นเราลืมตัวเราเองนะเนี่ยเราคอยรู้สึกนะคอยรู้สึกไปเรียนให้เห็นสภาวะอย่างนี้เอาว่าไปก็รู้สึกว่า จิตใจอ่อนลงอะค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าไม่ตั้งมั่นหรือว่ามันมันอ่อนเพราะว่ารู้จิตใจยอมรับมันไม่ได้ประคองไว้นะมันก็ยอมรับความจริงได้มากขึ้นพอวนาดีขึ้นนะพจิตใจร่นวนอ่อนโยนพาใครล่ะพาพี่สาวมาด้วยครั้งแรกอะค่ะนั่นแหละหลวงพ่อสอนดูยังไปแล้วยดูยังไม่เป็นหรอกเขาเพ่งอยู่เขาตื่นเต้นใช่ไหมแต่เริ่มเป็นแล้ว เขเริ่มรู้ทันตัวเองว่าตื่นเต้นรู้ทันตัวเองว่าไปกดเอาไว้นะนี่เรฝึกอย่างนี้เดี๋ยวเขเป็นปสีน้ําเงินนั้นที่ใส่แว่นตานัาน้นของบิ๊กที่หลังหน้าบิ๊กกลุ่มนี้แอบยกที่หลังทางนี้เขายกก่อนหลายคนเลยตามน้ำมศ ก, การหลวงพ่อคะ่ะคือมีจริงๆริมีข้อสงสัยหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้ที่นึกออกก็คือเหมือนกับว่า ตัวเองอะค่ะพอบางทีเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ารู้ว่าจริงจังในการรู้แล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วพอแบบยิ่งรู้ยิ่งเหนื่อยยิ่งรู้ยิ่งเหนื่อยก็เลยว่าเออไม่ไม่เอาละคือพอละมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็คือเหมือนกับว่าทำตัวสบายสบายอะค่ะก็คือค่อยๆทำไปรู้สึกว่าแบบนี้เนี่ยใช่แล้วก็ชอบนั่นแหละค่ะดีแล้วที่ชอบเพราะว่ามันใช่ <laughs> ไปจงใจทำนะไม่มีอะไรให้ดูหรอกทื่อๆยังไ่พอไม่ได้จงใจจะรู้นะมันรู้ของมันเองจิตไปไรวับแวบวับแวบนะหรืออะไรเกิดขึ้นมันรู้ของมันเองอย่างตอนเนี้หนีไปคิดแล้วรู้ไหมค่ะเมื่อกี้ออกไปค่ะนะนะใจออกไปดูเป็นล่วให้คนอื่นบ้างข้างหลังนะสองคนเดี๋ยวค่อยมานี้หลวงพ่อสงสัยต้องหาคนช่วยดูแล้วการนมัสการค่ะวันนี้มาส่งการบ้านครั้งแรกอะค่ะก็ รู้สึกว่ามันประคองประคองกดกดนะคะโอ้ถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าที่ทํามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างทําพอใช้ได้นะค่ะทาให้สบายกว่านี้อีกค่ะแล้วก็ดูอิริยาบถไปไม่ทราบว่าใช้ได้ไหมคะอย่าไปเพ่งอิริยาบถนะค่ะเห็นร่างกายมันเดินไปใจเราอยู่ต่างหาแยกกันไหมแยกได้ไหมบางทีก็ไม่แยกอะค่ะเออบางทีก็แยกไหมค่ะบางทีก็แยกถ้าเคยแยกก็ใช้ได้อยู่ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะไปส่งไปข้างหลังอีกส่งไป ถามนมัสการหลวงพ่อคะ่ะตื่นเต้นอยากถามหลวงพ่อว่าหนูต้องทำสมาธิเพิ่มไหมคะทำทำแต่อย่ายเยอะนะเดี๋ยวติดนิ่งของคุณมันพร้อมจะติดนิ่งๆ่ <c oughs> ต้องระวังนิด น, นึงค่ะ <c oughs> พอรู้สึกว่าบางครั้งมันก็เหมือนรู้สึกไหม ใ, หใจ <c oughs> เ, เราคล่าครวนใช่ค่ะใจเวลามันคร่าครวนมันท้อแท้นะให้รู้ทันมันเข้าไปเลยนั่นแหละปฏิบัติเสร็จแล้วอ้าวพูดต่อ แล้วหลวงขอคำแนะนำค่ะนี่แนแล้วนะไปดูใจเวลามันคล่าครวนอ่ะมันบ่อยนะคะหลวงพ่อให้รู้ทันมันเพราะนิสัยเราชอบคล่าครวญแล้วสวดมนต์ทสมาธิเป็นสวดมนต์ไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมคะได้นะไม่สวดยาวก็สวดสั้นๆพุทโธธรมโมสังโฆอะไรอย่างนี้ก็ได้สวดแล้วก็คอยรู้ทันใจไปค่ะถ้าถ้าคลําครวญก็ให้รู้ว่าคล่ำครวแล้วเขาจะค่อยๆหายไปตัวนี้เป็นตัวร้ายของคุณนะเป็นกิเลสชี้ออน ตัวเนี้ยให้รู้ทันมาลงไปค่ <c oughs> นะขอบคุณค่ะตัวโตนะแต่ขี้ออนขอบคุณค่ะอ่ะทางนี้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวไปทางนี้อ่านับวัสการหลวงพ่อค่ ะ, ะก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อค่ะแล้วก็ลองปฏิบัติตามดูสักระยะหนึ่งก็จะเห็นอารมณ์มากขึ้นนะคะแต่ก่อนจะเห็นแต่ความโกรธอย่างเดียวอตอนหลังก็เห็นหงุดหงิดเห็นความเศร้าความเศร้ามาจากความคิดปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ค, ความโกรธก็มาจากความคิดนะค่ะแล้วก็พอมาสัก พักนึงเนี่ยก็เลยเกิดความรู้สึกเหมือนกับ เ, เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนนะคะที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจคับแค้นใจน้อยใจอะไรเงีย้ยค่ะมันกลับมาแล้วก็เกิดขึ้นตลอดเวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอย่างเงีย้ยค่ะโดยที่เราก็พยายามทําตามที่หลวงพ่อจิตเป็นของห้ามไม่ได้จิตจะคิดแม้จะคิดไปอดีตตั้ง10ปีก่อนก็ห้ามไม่ได้เราภาวนานี่ยไม่ใช่เพื่อเอาชนะจิตนะแต่ภาวนาจนเห็นความจริงว่ามันบังคับไม่ได้ ถ้าเห็นอย่างนี้ต่อไปมันจะค่อยปล่อยวางมันเกิดขึ้นแบบอาทิตย์หนึ่งตลอดเวลาแล้วเราก็เลยพยายามตามรู้สึกตัวเฉยๆแต่มันจะตอนน้องแก้วทำไมทำไมมันเกิดได้นานรู้ไหมเพราะใจเราไม่ชอบใจเราไม่เป็นกลางคุณดูผิดตัวคุณคมัวแต่ไปดูความคับแขนใจ ค, คุณไม่ได้เห็นว่าใจเราไม่ชอบที่จะขับแขนนะคุณไปดูผิดตัวตัวที่กําลังบงการพฤติกรรมเราอยู่ในขณะนั้นนะคือความไม่ชอบไม่อยากให้มันไปคิดเรื่องนี้ออย่างนี้ค่ะ ถ้าดูตรงถูกตัวมันนะตัวที่กําลังมีอิทธิพลเหนือจิตใจเราเนี<ม>เห็นปับ๊บใจใจกําลังปฏิเสธแล้วไม่อยากให้มันไปคิดเรื่องเก่าพอเห็นปั๊บเนี่ยมันจะดับเลยความทุกข์ความเศร้าวความเรื่องที่คิดในอดีตก็จบลงไปตรงนั้นเลยนั่นเราต้องดูให้ถูกตัวนะของคุณดูแล้วยังไม่เป็นกลางนึกออกไหมค่<ฆ>นะนึกออกแล้วจิตสว่างวูบหนึ่งนะคะรู้สึกไหมค่ะ พ, พอเข้าใจขึ้นนะใจมัสว่างขึ้นมาค่ะนะ มานี้นิดหนึ่งก่อนคนที่มีผ้าพาดเนี่ยนวัต ก, การค่ะหลวงพ่ออยากทราบว่าที่ทํามาเนี่ยถูกต้องว่างหรือยังถูกนะอย่าเลิกทานะ <c oughs> แล้วชิมโมโหไหมใช่นั่นแหละไปดูใจที่ชิมโมโหอะ่ะนะบางครั้งตื่นมาจิตร้องเพลงได้ไม่ทราบว่าเป็นเพลงอะไรเลยเออให้ดูมันไป <c oughs> เวลาใจมันหงุดหงิดก็คอยรู้เอานะค่ะ <c oughs> ดูไปเรื่อยๆจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็ห ง, งุดหงิดเดี๋ยวจิตก็เฉยเฉย เดวจิตก็แอบไปคิดเดีวจิตก็ไปร้องเพลงดูอย่างนี้นะไม่บังคับไปข้างหลังข้างหลังที่ยกไว้เมื่อกี้ซื่อสัตว์นะที่ยกไว้แ ล, วแล้วเมื่อกี้อมาเพราะหลวงพ่อจำไม่ไหวนมัสการนะคะหลวงพ่อคือตอนเองเคยไปฝึกสมาธิแต่ว่าฝึกแบบเล็กน้อยแล้วก็เคยสงบอยู่พักหนึ่ง เฉพาะช่วงที่ฝึกสมาธิอพอกลับไปสู่โลกภายนอกก็เป็นปกติเป็นตัวเราที่โมโห<ล>เหมือนเดิมเคยบอกไงว่าถ้าเราฝึกแต่สมาธินะชีวิตนี้ก็วนอยู่แค่เนี้พอทาสมาธิขึ้นมาก็สงบหมดแรงไปก็ฟุ้งซ่านชีวิตปนเปียนอยู่เท่านี้ไม่พ อ, อเราจะตัดวงจร อ, อุบาทันนี้ออกไปได้ด้วยการมีสติคอยรู้ทันตัวเองไปได้ๆอย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมค่ะ เนี Molly, ่ยจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อแล้วรู้สึกไหมมาเพ่งใส่หลวงพ่อเห็นไหมแล้วก็จิตไหลออกมาอย่างเงี้ยนะให้รู้ทันนะรู้ทันไปก็คือฝึกการรู้ทันฝึกสติตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราถ้าคิดไปในสิ่เท่าที่ทําได้นะไม่ตลอดเวลาถ้าจะไม่ให้คลาดสายตาเลยจะกลายเป็นการเพ่งซึ่งมันซักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหลวงพ่อถ้าสมมติหนึ่งวันนี้เราพยายามที่จะไปจับที่จิตเราอย่าพยายามสิให้สติเกิดเอง อ๋อก็คือพยายามฝึกไปเรื่อยๆจนมันเป็นธรรมชาติหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะใจเราเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้โกรธหลงก็รู้อะไรเงี้ยหัดรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจหรอกว่าสติจะเกิดเมื่อไหร่เดี๋ยวมันเกิดเองจะถึงถึงนะจเรารู้ปุ๊บนะคะเราจําเป็นที่จะต้องไปถ้าสมมติเราโมโหระงับการโมโหไม่ต้องไม่ต้องแค่ไปรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นรับรู้ว่ากําลังโมโห ไม่ใช่รับรู้ว่าเขาว่าเราเรื่องอะไรนะออื ร, ร, รับรู้ว่ า, วาเรากําลัง โ, โ, โมโหเขาอยู่อนะแล้วถ้าเราก็ไม่ได้ภาวนาเพื่อให้หายมโมโหด้วยค่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าจิตมันจะมโมหโหมันก็มโมโหของมันเองเราบังคับมันไม่ได้อนะถ้าจิตชอบก็ชอบไปเองก็ไม่ต้องไปบังคับกลับมาแต่ถ้าจะอยู่ในโรคนี้เรา <le o> ในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นการโมโหเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเรารับรู้ว่ามันไม่ดีเร า, เราหยุดมันไ ม, ไม่หยุดมันน ะ, ะเรารู้ทันจิตใจแต่ทางกายและวาจาเนี่ยไม่ให้ผิดศีลห้ากายและวาจาเราไม่ด่าเขาโมโหเราก็ไม่ด่าน ะ, ะเราดูใจของเราที่โกรธนี้<ม>นะขอบคุณมากค่ะมาด้านหน้าด้านเ อ, อคนนี้ก่อนแล้วก็มาข้างหน้าสองสามคนแล้วเดียวเ่อยไปข้างหลังนวัตการเจ้าคะ่ะ เมื่อกี้เหมือนเหมือนตื่นเต้นเพราะว่าอยากจะดึงไม้จากเพื่อนค่ะแล้วก็กดบ้างอะค่ะถูกไหมคะหลวงพ่อถูกนะดูอย่างนั้นแหละแต่ ใ, ใจเรายัางไม่ค่อยมีแรงนะค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ไปใจ<ถ>ยังป้อแป้ไปนิดนึงท่านหนูไม่มีแรงหนูก็คือไปทําในทําในรูปแบบไหมรูปแบบไปเช่นเดินจงกรมอะไรเงี้ยน ะ, ะแต่อย่านั่งสมาธิแล้ว เ, เคลิมนะเดินจงกรมก็อย่าไปเพ่ยงจนเครียดนะ ครู้สึกเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆเราคอยรู้สึกเอาะเห็นตอนนี้ใจเราไปคิดทราบไหมจะไปคิดซ้อนละรู้สึกไหมแต่พยายามดึงกลับมา่าดึงอย่าดึงถ้าดึงเราเครียดให้รู้นะไม่ให้ดึงถ้าดึงเราเครียดเจ้าขาส่งมาข้างหน้าวันนี้มีเด็กด้วยเอาก่อนก็เอานพัสการข่าวหลวงพ่อคือเอ่อ ตอนนี้ที่บ้านทักว่าหน้าตาเปลี่ยนไปอืมสวยขึ้นใจดีไงไม่ร้ายตาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็แปลกใจเหมือนกันนะไม่อำมาหิตเท่าเดิมใช่มยก็พยายามตามตามดูตามธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงเราได้ชับพลันเลยเพราะอะไรเพราะใจเราเปลี่ยนใใจเราแต่เดิมนั้ถูกกิเลสครอบงำตลอดเลย พระพุทธเจ้าสอนเรามีสติเรารู้ทันใจเรากิเลสไม่ครอบงํานะพอกิเลสครอบงําใจไม่ได้ใจมีความสุขแม้นหน้าตาเราก็สดใสขึ้นมาพฤติกรรมก็เปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยทําตามกิเลสมันหมดไปนะคนรอบตัวจะรู้สึกแล้วไม่นานนะคนรอบๆตัวก็จะตามมาวัดด้วยนะมาเป็นครอบครัวที่วัดหลวงพ่อเนี่ยดีแล้วที่ฝึกอยู่ขอบคุณค่ะส่งมาข้างหน้าข้างหน้านะ หลวงพ่อครับเมื่องวดที่แล้วที่มาส่งอะคะ่ะหลวงพ่อบอกว่าจิตใจมันยังไม่ถึงฐานก็กลับไปขยันดูอะคะ่ะตอนที่อยู่นอกวัดเนี่ยก็คือเห็นว่ามันถึงฐานดีแล้วะคะ่ะแล้วก็จิตใจก็รู้สึกนุ่มนวลเบาสบายอะคะ่ะแต่ว่ามีบางขณะที่รู้สึกว่าไอ้ความนุ่มนวลเบาสบายเนี่ยก็ยังมีอาการรักษาแล้วก็ประคองให้มันเบาอยู่ะะที่พานาอยู่ช่วงนี้ใช้ได้แล้วนะดีแล้ว แล้วก็มีข้อกังวลใจอยู่นิดนึงค่ะคือหนูเป็นคนที่สวดมนต์ไม่เป็นเลยอะค่ะมันจะเป็นอุปสรรคอะไรไหมคะหลวงพอง่อไม่เป็นหรอกนะสวดสั้นๆก็ได้พุโทโธธรมโมสังโฆแค่นี้ได้ไหมได้ค่ ะ, คะกังวลว่าเวลาเวลาฝันนะคะมักจะแบบว่าถ้าเกิดเจอผีเวลาสวดมนต์แล้วสวดมนต์ไม่เป็นนะแพ้มันทุกทีอะไรอย่างเงี้ย่ใคร<ล>บอกว่าผีกลัวสวดมนต์ใครสั่งใครสอน ผีบางตัวนะ่ะสวดเก่งกว่าหลวงพ่ออีกถ้าเกิดหลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นอุปสรรคอะไรหนูก็<ม>สบายในะจ<ะ>ถ้ากลัวผี <ขอ S 1> ให้รู้ว่ากลัวน ะ, <ขอ S 1> ะถ้าเรารู้ว่ากลัวผีใจเราสว่างขึ้นมาคราวนี้ผีกลัวเราละนะผลัดกันคุณเบอร์18อย่างบางคนนะั้นคิดว่าห้อยพระแล้วผีไม่หลอกไม่จริงนะผีไปอยู่ในพระเยอะแยะไปตื่นเต้นค่ะเป็นมือใหม่อยากจะให้หลวงพ่อแนะนําค่ะ ขอบพระคุณค่ะคอยรู้สึกตัวรู้จักใจลอยไหมนั่นแหละวันหนึ่งใจลอยได้กี่ครั้งเนี่ยลอยไปหนึแว็บแล้วเนี่ย2แว็บแล้วสแล้วดูออกไหมเนี่ยหัดดูอย่างเงี้ยอไปคนอื่นเดี๋ยวเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครเดี๋ยวมาทางนี้เลยมาเดี๋ยวจอัอนนี่นี่เสื้อเสื้อขาว ขอควาขอความเมตตาจากหลวงพ่อค่ะว่าที่ตามดูอยู่นี่ถูกไหมคะถูกนะแต่ตอนนี้ประคองไปนิดนึง <ขอ S 1> บังคับตัวเองจิตสงสัยขึ้นมาทราบไหมนิดเดียวค่ะนิดเดียวอะค่ะเอานิดเดียวก็เห็นมันนะ <c oughs> <c oughs> ที่บอกให้เาเพื่อให้รู้สภาวะนะค่ะแล้วอีกข้อหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่ามันมีตัวมานะอาตายเยอะๆกับตัวชอบปรามาจะสอนอยังไงอะคะให้เบาๆลงมาบ้างไม่ได้หรอกค่อยรู้เอาสังเกตไหมเวลามีมาน่าตาน่าเกลียดอบ เซลจัดน่าเกลียดเนี่ยไปดูเรื่อยๆทีหลังมันก็เข็ดไปเองเลยแต่กว่ามันจะเข็ดสงสัยคนอื่นเขาเกลียดเราก่อน <laughs> เอ้ามาส่งมาข้างหน้ามาเมื่อกี้ใครยกไว้เห็นหแป๊บอ้าวคุณกลับนะ้ัสศการนะครับหลวงพ่อครับผมเพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับเออผมกลับไปดู ตัวรู้สึกตัวกับตัวเผลอเนาะไหลไปไหลไปเนี่ยตัวนี้มันจะเรียกว่าได้เป็นเป็นไตรลักษณ์ไหครับตัวตันี้ครับเป็นนะเห็นไหมมันจะรู้สึกตัวหรือมันจะเผลอเราเลือกไม่ได้หรอกครับมันเป็นเองของคุณเริ่มดูเป็นแล้วนะจิตของคุณมันตื่นขึ้นมาแล้วคือจริงๆแล้วที่เตรียมสภาวะมาฮะมาส่งการบ้านหลวงพ่อเนี่ยมันมันไม่ใช่ตัวปัจจุบันนะตัวนี้มันถื่นเต้นออกมาหมดแล้วตัวนั้นมันบังไปหมดแล้วของคุณใช้ได้แล้วนะครับพี่พาวนาดีละ ครับผมไม่จบหรือชืออีกนิดนี่ครับคือผมมันเพ่งมากไปหรือว่าจงใจมากไปไหมครับท่านครับลดลงไปเยอะแล้วแต่ก่อนเนี้ติดเพ่งนะตอนนี้ใช้ได้ครับเ่อยๆฝึกไปแล้วมันเป็นธรรมชาติแต่ตรงที่เราใครการเพ่งออกไปนะสักช่วงหนึ่งฟุ้งซ่านก็ต้องกลับมาทําความสงบใหม่นะตอนนี้ของคุณใช้ได้แล้วคุณดูไปเรื่อยๆของคุณกําลังพอดีพอดีแต่ตอนนี้แรงไปนะผมหมายถึงตอนอยู่ข้างนอก รอยสี่สิบเอดเก้าสิบห้าแล้วก็บิ๊กแล้วเดี๋ยวจะไปข้างหลังละรอยสี่สิบเอ็ดหลวงพ่อคะคือว่าซ้ายมันก็กิเลสนะคะขวาก็กิเลสพ อ, อรู้ตัวก็กิเลสตรงกลางก็กิเลสแล้วมันเบื่อคะ่ะหลวงพ่อเบื่อก็รู้ไปสิเบื่อก็กิเลส <laughs> มันเบื่อปฏิบัติอะคะ่ะไม่ได้เบื่อมันเบื่อเนืน้ออะไรมันเบื่อปฏิบัติเบื่อก็ตู่ไปให้รู้ว่ากําลังเบื่อนะอย่าเลิกนะเลิกแล้วโง่ถึงยังไงก็ต้องปฏิบัติเพราะว่าเราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าเราไม่ปฏิบัตินัเราจะยอมให้ชีวิตเราจมอยู่ในความทุกข์ตลอดปีตลอดชาติเหรอก็ทราบอะค่ะแต่มันแข็งนะหลวงพ่อใจมันดื้อใจมันดื้อให้มันทุกข์ให้ขีดไปบิ๊ก มันเรื่องจริงเลยนะเอา95 95ก่อนขออนุญาตส่งกันบ้านครับ <c oughs> คือผมปฏิบัติโดยการเดินในที่ทํางานครับวันนี้เห็นไม่ต้องทํางานหรอไปเดินตอนทํางานนี่เดินครับเดินแล้วก็ครั้งครั้งครั้งที่แล้วเรียนพระอาจารย์ว่าเคืเห็นตัวเองเดินเป็นระยะระยะแล้วก็<อ>ครั้งนี้เห็นว่าตัวเองเนี่ยโกรธแล้วก็หเห็นความน่าเกลียดตัวเองครับแล้วก็ บางทียืนอยู่มันก็ร้องเพลงมันเองเออครับที่แรกไม่รู้ก็ไปบังคับมึงทําไมร้องกูยังไม่ร้องเลยอครับเขาก็ร้องเข้าไปสักพักก็เห็นเขาเขาหยุดร้องอเขาเป็นเองเขาไม่ใช่ตัวเราครับนะเรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเนี้ยขอการบ้านเพิ่มเติมครับทําอีกครทำได้ดีแล้วนะนี่แหละถ้าเคลื่อนไหวนะเราเดินแล้วเคลื่อนไหวเราคอยดูดีที่สุดเลยเมื่อกี้นี้ตอนจับไม ตั้งท่าดูว่าเนี่ยตอนเนี้ทาหล่อแล้วตอนหนึ่งทำหล่อครับอทั้งทังที่ไม่หล่อเลยยังจะทำอีกอ้าว่าไปผมมีเรื่องจะเล่าให้หลวงพ่อฟังเยอะยะเลยแต่พอมาไหม่มาแล้วเล่าไม่ออกครับอก็ที่ผ่านมาก็นั่งฟังซีดีของหลวงพ่อบนรถนะครับเวลาขับรถไปไหนมาไหนก็ฟังบางวันฟังแล้วโอ้มีความสุขสุขใจสบายใจดูฟังไปดูไปฟังไปดูไปเงี้ยครับบางวันก็โอ้ย วันนี้ไม่อยากฟังเลยไม่อยากฟังก็อยากฟังไม่ง้อหรอกแต่ว่าผมก็บางวันก็ฟังบางวันก็วันนี้เบื่อละปิดอะไรเงี้ยครับหลวงพ่อจะบอกความลับให้หลวงพ่อไม่เคยฟังเลยห <laughs> ลวงพ่อทนฟังไม่ได้แล้วก็เราก็ดูไปดูไปบางวันจิตใจมันก็มีสติเองได้บ่อยบางวันมันก็ไม่ได้บ่อยแล้วก็ บางทีมันนึกไปถึงเรื่องในอดีตเคยเ <Big S 1> <ๆ>ด็กดูออกหมสภาวะความปรุงแต่งทั้งหลายนะเหมือนฝันดูออกครับนะใจเราเห็นแล้วว่ามันเหมือนความฝันทั้งชีวิตนี้เลยครับนะที่ภาวนาอยู่อดีแล้วอย่าบรรยายเลยบรรยายไม่เข้าเป้าเ <c oughs> 120หน่วยเราเห็นแล้วว่ามันเหมือนฝันอยู่ตลอดเลยนะภาวนาดีแล้วครับก็ก่อนมาหนักๆครับตอนนี้มันตื่นเต้นครับ <c oughs> อย่าไปบังคับสิ ตื่นเต้นก็ให้มันตื่นไปครับเอาไปข้างหลังไปข้างหลังเมื่อกี้ใครยกไว้โง่สองคนสามคนนะไปนั่นแหน่ยกเพิ่มมาเรื่อยๆ <c oughs> เอาคนเนี้ที่อยู่กลางเอาก่อนที่ใส่แว่นตาเนี่ยที่เออคนนั้นไปอีกไปอีกกรรมนักมศการหลวงพ่อคะ่ะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็อยากขอคําแนะนําค่ะหลวงพ่อเคยฝึกไม้มเคยไปฝึกนั่งสมาธิอยู่ค่ะ พยายามฝึกสตินะรู้สึก <c oughs> ตัวเรื่อยๆปกติจะเป็นคนโมโหไายอะคะ่ะนั่นแหละภาวนา ง, ง่ายคนขี้โมโหภาวนา ง, ง่ายค่ะ <c oughs> พวกโมโหมากบางทีปัญญามากนะเพราะโมโหววกับปัญญาติดควบกันมาค่ะเนี่ยใจลอยไปแล้วรู้สึกไหม <c oughs> รู้สึกค่ะอย่าไปบังคับมันนะแล้วคุณต้องทํากรรมฐานที่สบายนะ <c oughs> คุณอย่าไปทํากรรมฐานที่ทําให้เครียดอย่าไปบังคับตัวเองมากค่ะ <c oughs> <c oughs> คอยปล่อยปล่อยให้มันทำงานแล้วดูเล่นเล่นดูสบายๆนะจริตของคุณทำกรรมฐานที่จริงจังไม่ได้มันชี้โมโหค่ะขอบคุณค่ะข้างหลังเมื่อกี้คนโน้นคนโน้นนะเดี๋ยวเดียวสองคนนั้นที่หลังก็แล้วกันอยู่ไกลอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว น, นะหนึสองสามทางโน้นเห็นแล้วการนมัสการค่ะหลวงพ่อหลวงมากที่นี่เป็นครั้งที่สองค่ะ ก็ปกตินี้ก็จะปฏิบัติตามรูปแบบของในสายของพ่อเทียนค่ะแล้วก็คือตอนนี้ก็สมาธานรักษาสินแปมาได้ประมาณ4 mm hmm. เดือนกว่าค่ะแล้วก็คือทำปฏิบัติตามรู้ตามดูกายใจไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ลองเราขยับอย่างหลวงพ่อเทียนให้หลวงพ่อดูซิวางไม้ก่อนแล้วทำไปเลยหลวงพ่อจะได้ฉันน้ำ รู้สึกไหมเป็นน้อมใจให้นิ่งกว่าความเป็นจริงอย่าไปทําให้มั น, นมันมันตื่นเต้นค่ะหลวงพอ่อตื่นเต้นให้มันตื่นไป <c oughs> นนะไม่ไม่ว่ามันนะใจเออใจมันต้องหลุดออกมานะปล่อยออกมาให้หมดเลยนะและ้วขยับอย่าให้ใจไหลไปอยู่ในมือแล้วใจหลงไปคิดก็คอยรู้เอาค่ะก็คือกายกับใจเราก็ให้มันอยู่ต่างๆกันใช่ไหมคะเราไม่ต้องอไปกาปอยาอยู่ไหนใจอยู่นั่นไม่ต้องอย่างนั้นใช่ไหมไม่ต้อง<ช>ไม่ต้องอันนั้นหลักของสมาธิ ก็คือไกลตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมหลแวบหนีคิดลูกศิษย์หลว <c oughs> ลหลงพ่อเทียนต้องอย่าลืมที่หลวงพ่อเทียนสอนนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติถ้าไม่ได้บอกว่าขยับมือเราได้ต้นทางนะท่านบอกถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทาง อย่างตอนนี้จิตคุณหนีไปคิดล้รู้สึกไหมทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดเนี่ยใจเราจะตื่นขึ้นมานี่ยได้ต้นทางแนละ้วพอตื่นขึ้นมารู้สึกกายรู้สึกใจหลังจากนั้นนะหลวงพ่อเตียนสอนต่อบอกการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดอันนั้นเพาะหลวงพ่อเตียนชนานาญดูจิตนะถ้าสายบางครูบาอาจารย์ท่านก็ดูกายรัดสั้นที่สุดแต่ละคนมีทางรัดสั้นของตัวเองนะไม่เหมือนกันหรอกเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยรู้ทันก่อนว่าใจไหลไปคิด ถ้ารู้ทันนะใจจะตื่นขึ้นมาพอใจมันตื่นขึ้นมาถ้าเราขยับมือเงี้ยเราจะเห็นในร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรา <Okay. S 1> นะถ้าใจเราตื่นแล้วเราจะเห็นตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่เรานะหรือจิตมันเคลื่อนปุบ๊บเราจะเห็นเลยจิตมันทํางานได้เองไม่ใช่เราอีกนะนั้นเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็รู้กายรู้ใจเขาทํางานไปแล้วแต่สติจะระลึกรู้อะไรเราไม่เลือกหรอกบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้จิตอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วทราบไหม ใช่ค่ะมันตื่นเต้นมันก็เหมือนกับมันไม่อยู่กับตัวค่ะเออไม่อยู่ก็ช่างมันมันไม่อยู่รู้ว่ามันไม่อยู่แค่นี้ก็ใช้ได้ละไม่ต้องดีก็ได้จําไว้นะไม่ต้องดีก็ได้มันร้ายแล้วก็รู้ทันมันหลงไปแล้วรู้ทันใช้ได้คือที่หนูทํามันนี้ก็เป็นยังไงคะก็พอใช้ได้นะใชค่ะกล่าวขอบพระคุณใช่ค่ะแต่ใจมันฟุ้งซ่านไปนิดนึงนะไปข้างหลังเมื่อกี้ข้างหลังนน้์ ไปอีกไปอีกยกไว้ยกไว้ยาวลงนั่นแหละสามสามคนนะจําหน้ากันไหมนะเดี๋ยวส่งต่อกันเอง3าคนนี้ก็กล่าวณธรรมการหลวงพ่อนะครับขอความกรุณานิดนึงคือว่าหลังจากครั้งที่แล้วมาพบหลวงพ่อก็กลับไปศึกษาเพิ่มเติมครับแต่ไม่ทราบ ว, ว่าที่ทําอยู่ตรงนี้มันใกล้เคียงบ้าง ห, หรือย่างเห็นอะไรมั่งล่ะที่ไปศึกษาเพิ่มเติมก็รู้ว่าต้องทําใจให้มันสบายสบายแล้วก็ดูสิ่งที่มันเป็นจริงเกิดขึ้ น, นะครับเห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นบ่อยครับ ทีเลดอะไรเกิดบ่อยก็ฟุ้งซ่านนะครับเก่งแล้วก็เนี่ยตอนเนี้ยฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกไหมชอบกดดันตัวเองอย่าเงี้ยครับชอบเลยนะกดดันตัวเองอย่าไปกดสิครับนะปล่อยมันเราตามดูมันไปเราจะรู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตตามความเป็นจริงเราไม่บังคับมันนะแล้วใกล้เคียงบ้างไหมครับวิธีก็ดีขึ้นแล้วล่ะดีขึ้นดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่ถูกใช่ไหมครับฮะแต่ยังไม่ถูกอย่ากังวลเรื่องถูกสิถ้าถูกก็เป็นพระละหันเท่านั้น านอกจากนั้นยังต้องศึกษาทั้งสิ้นเลยพระอนาคาพระสกทาคาโสดาเลยก็ยังต้องศึกษาทั้งสิ้นเพราะฉนั้นอย่ากลัวว่าไม่ถูกนะขอให้เดินอยู่ในร่องรอยที่ถูกต้อง ก, กันร่องรอยนี้คือร่องรอยของความมีสติมีสติรู้สึกตัวขึ้นมาไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วก็รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นถ้าเดินอยู่ในร่องรอยอ ย, อย่างนี้ใช้ได้ทั้งสิ้นอย่างตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหม เราลืมตัวเองไปนะรเราคอยรู้สึกตัวนะรู้สึกสบายๆไม่ใช่บังคับให้รู้สึกด้วยใจลอยไปคิดใจหลงไปคิดรู้ทันแล้วจะรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกแล้วก็ค่อยรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนะปัญญาจะเกิดคือเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เรามีปัญญาเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ถึงจุดหนึ่งมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจมันวางของมันเองส่งไปข้างหลังไป ครับแล้วควรถามพ่ออีกข้อนี้ได้ไหมครับาาคือความตั้งใจที่จะงดทานเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วก็เพื่อมองมีความเห็นว่าทําให้สัตว์มันตายน้อยลงนี่เป็นได้บุญหรือเปล่าครับตอบยากยากแล้วแต่นิยมก็แล้วกันคือ <นะ S 1> คื อ, คอจัดตัวเองไม่ไม่ได้แบบว่าอยากทานบังสวิรัตนะครับเพียงแต่ว่าคิดว่าถ้าทําแบบคิดแบบนี้แล้วทําแบบนี้มันจะได้บุญไหมครับก็ อ, อาจจะได้บุญนะแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติเลยอ๋อเหอครับ คุณหลวงพ่อมากมากครับอย่างพระน้ําพระฉันอะไรพระฉันผักเหอรอผักฉันมังสวีรัตใช่ไหมไม่ใช่พระฉันเนื้อสัตว์หรือเปล่าไม่ใช่พระฉันอะไรพระฉันอาหารเนี่ยอาไปส่งไปข้างหลังกราบธรรมการหลวงพ่อไหนไหนอยู่ไหนไม่เห็นยืดยุดตัวหน่อยยุดหน่อยเอออย่างนี้ค่อยเห็นหน้ากันหน่อยไม่งั้นมันลึกลับเกินไปยังเดินอยู่ในทางทำน้อยอยู่นะคะปัญญายังน้อยอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่า เราอยากถามว่าอยากให้หลวงพ่อชี้แนบเกิดมามทําไมคะเริ่มขำขวนละรู้สึกไหมค่ะ<อ> <c oughs> เกิดมาทําไมเกิดมาทําประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นทําประโยชน์ของตัวเองก็คือเราต้องฝึกจิตฝึกใจอยู่เราพ้นทุกข์นะทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตคือเราจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้นะพอเราภาวนาเป็นแล้วเราก็าไปบอกต่อกับคนอื่นอีกประโยชน์ของตนเองประโยชน์ของผู้อื่น เกิดมาทําประโยชน์นะไม่ใช่เกิดมากินจินนอนๆแล้วถามว่าทําไมถึงเกิดมามีเกิดมาทําไมแล้วต้องต่ออีกทําไมถึงเกิดมาเพราะความไม่รู้อริยสัจ <c oughs> เพราะงั้นเราต้องรู้แจ้งอริยสัจนะว <c oughs> ิธีจะรู้แจ้งอริยสัจอริยสัจข้อแรกคือทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้เพราะฉะนั้นให้คอยรู้กายรู้ใจไปเรื่อย รู้ไปถึงจ land, well, ง vagy, sure ุดห น, นึ่งนะมันละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขึ้นเองเกิดมาทําไมอก็งงงงเหมือนกันค่ะรู้สึกไหมมันมันกลุ้มใจไม่อยากเกิดก็มันเกิดไปแล้วอ่ะค่ะเราเกิดมาแล้วมันควรจะทําอะไรต่อเพราะว่าจริงๆปฏิบัติธรรมหรือว่าทำประโยชน์เพื่อสังคมมันก็ทําอยู่แล้วแต่เพราอบางทีเราต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ทำด้วยที่ปฏิบัติอยู่ยังไม่สมควรแก่ทำยังไม่พ้นทุกข์ รู้สึกไหมใจเรายังทุกข์อยู่ค่ะนะให้คอยรู้ใจรู้กายของตัวเองไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกไม่ยากหรอกรู้จักใจลอยไหมค่ะใจลอยก็คอยรู้เอาของคุณเป็นโลกคิดมากนะมันเป็นคนคิดมากเราะนั้นให้คอยรู้ทันใจตัวเองใจไหลไปคิดก็รู้ใจไหลไปคิดก็รู้รู้เฉยๆอย่าไปห้ามมันอย่าไปดึงมันคืนมาให้รู้ว่ามันหนีไปคิดเนี่ยมันหนีไปคิดแล้วขนาดนี้รู้สึกไหม ไปหารู้สึกเอานะมาทางด้านนี้ทางด้านนี้มีอีกท่านหนึ่งด้านนี้กราบเรืบัตรการค่ะคืออยากจะให้หลวงพ่อท่านช่วยกรุณาแนะนําการปฏิบัติด้วยค่ะอหลวงพ่อแนะมาแต่เช้าแล้วนะได้อะไรมั่งอ่ะเมื่อเช้ามาไม่ทันเลค่ะช่วงเช้าเหรออ้าวสายๆด้วยหลวงพ่อก็แนะอีกแหละเคยฟังซีดีไหมเคยค่ะเห็นกิเลสได้ยังเห็นค่ะเยอะไหม เออยิ่งเยอะ ย, ย, ยิ่งดีนะคนภาวนาเก่งต้องเห็นกิเลสเห็นกิเลสตัวเองนะเห็นกิเลสคนอื่นไม่เก่งหรอกเคยมีคุณป้าคนหนึ่งนะมีคราวหนึ่งหลวงปู่ดูลท่านไปเยี่ยมหลวงปู่เทศที่หินหมักเป้งหลวงปู่เทศสนทนาธรรมเสร็จแล้วก็ท่านใจดีท่านก็เรียกโยมที่อยู่ในวัดเข้าไปนั่งฟังด้วยหลวงปู่ดูลท่านก็สอนเรื่องจิตยิ้มเวลารู้แจ้งธรรมนะจิตมันยิ้มย่ะกิเลส คุณป้าคนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะเพราะงั้นเอ่ยชื่อไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวแกบ้อมหลวงพ่อตายนะวันหนึ่งหลวงปู่กลับไปแล้วหลวงปูดด่โดนไปแล้ววันหนึ่งเอก็ส่งกันบ้านกับหลวงปู่เทศหลวงปู่เจ้าค่ะดิฉันเห็นจิตยิ้มแนละ้วจิตมันยิ้มเย่ะกิเลสมันเป็นยังไงนี่หลวงปู่ถามมันยิ้มย่อยังไงเห็นใครเขามีกิเลสนะดิฉันยิ้มย่อหมดเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะดูของเราเองนะยิ่งเห็นกิเลสบ่อยยิ่งดีนะ งันดูไปเรื่อยๆกิเลสของเราเกิดทั้งวันหลยรู้จักโกรธแล้วใช่ไหมทราบค่ะรู้จักโลภไหมรู้จักค่ะรู้จักใจลอยไหมบางครั้งค่ะเฮ้ยรู้จักก็รู้จักสิแต่บางครั้งใจลอยบางครั้งรู้ว่าใจลอยเห็นไหมค่ะเนี่ยใครรู้ไปความรู้สึกอะไรกําลังเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ไปนะกิเลสอะไรเกิดคอยรู้ไปค่ะเอามาซิกนี้บ้างมีใครยกมือไว้ ไปส่งต่อๆกันไปนะครับขอรานางพ่อนะครับผมมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกยืดๆหน่อยยืดๆหน่อยสูงๆหน่อยคนอื่นเขาจะได้เห็นด้วยเวลานั่งสมาธินะครับเออนั่งสมาธิเกิดอุทาจากักขุกข จ, จอัอขึ้นมาใช้สติบ ก, ก็แล้วสัมมชัญญาก็าแล้วขันติก็แล้ว พี่ตกก็แล้ววิจางกันแล้วแต่ตัวอุทธัจกุจจะนี่ยังไม่ยอมหายครับพยายามจะเข้ามาคลุกคลีอยู่ในจิตใจของเราเรื่อยๆครับยานอะไรนะเข้ามาคลุกคลีอยู่ในจิตใจของเรานะครับทําให้เกิดอุทธัจกุจจะเกิดขึ้นนะครับเกิดอะไรนะเกิดไหลโลภครับขั้นะกุจกุจจะกรจาย้หครับอุทธัจกุจจะพุ่งซ่าและลําคาญครับอ๋อ เราพอไปได้ยินว่าหยานหยานอุทนะธะกุฏกุฎจายนึกว่าเกิดจตุตาทะชานจติชานเคืออย่างนี้มันมีหลายวิธีนะจิต ท, ที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปแล้วใจเราไม่ชอบนะมั น, านําคาญขึ้นมานนี้เราลองฝึกใหม่เอาแบบที่พระพุทธเจ้าสอนท่านบอกทีกสูตทั้งหลายเมื่อจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านเห็นไหมโยมใช้ตัวโน้นตัวนี้ไปมุ่งแก้ความฟุ้งซ่านใช่ไหม อยากหายฟุ้งซ่านลองเปลี่ยนใหม่แทนที่โยมจะอยากหายฟุ้งซ่านนะโยมรู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านดูซิเธอจะฟุ้งซ่านได้นานสักแค่ไหนเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกดูกราพิกสูทั้งหลายเมื่อจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านลองรู้ดูนะดูไปเห็นความฟุ้งซ่านเหมือนกับคนเดินผ่านหน้าบ้านจิตของเราไม่เคยฟุ้งซ่าน จิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ดูความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาให้จิตรู้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นถ้าเราไปภาวนามุ่งทําลายความฟุ้งซ่านโดยตรงเนี่ยมันเป็นแค่การทําสมถกรรมฐานนะเราเป็นชาวพุทธที่ดีเรียนให้ได้พิปัสนานะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเกิดความรําคาญใจให้รู้ว่ารําคาญใจให้ยมรู้เฉยๆอย่าอยากให้มันหายนะดูเฉยๆลองดูนะลองดู เดี๋ยวมัสงบเองมันอดไม่ค่อยจะได้ครับมันอะไรนะมาคอยามารบกวนวอย่เรื่อยๆนะครับอ๋อมันอดไม่ได้ครับอดไม่ได้ต้องลำบากปัาจัยยานช้ตติธมรมัญญะไม่ได้ไม่ได้โยบตั้งเป้าผิดนะแล้โยบตั้งเป้าที่จะให้มันหายฟุ้งซ่านแลมุ่งจะให้หายฟุ้งซ่านมุ่งจะให้จิตสงบ อย่าตั้งเป้าอย่างนั้นลองเปลี่ยนใหม่มารู้มันตามความเป็นจริงจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุงา้งซ่านจิตสงบให้รู้ว่าสงบเราฝึกอย่างนี้นะเป็นประโยชน์มากกว่าเยอะเลยครับขอบคุณครับส่งไปข้างหลังนัดที่ประตูข้างหลังเลยนะออน้ำมัส ก, การหลวงพ่อครับเออแต่เดิมแต่เดิมก็ศึกศรร ษ, ษาธรรมะแล้วก็แบบเมืกักลัวกลัวเวลาเราไม่ได้คิดแล้วกลัวจะโง่ใช่ไหมครัแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเออรู้สึกตัวขึ้นมากขึ้นแล้วรู้สึกว่ามัน มีความสุขนี้แต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเวลาตามรู้ตามดูมากมากเข้ามากเข้าดูไปลึกๆก็ยังรู้สึกว่าข้างในเนี่ยใจเรายังมีกามาคุณเนี่ยเป็นเป็นรางวัลแห่งชีวิตอยู่ฮะเป็นอะไรนะเป็นรางวัลรางวัลกับชีวิตรู้สึกว่าที่เรามันเหมือนก็ดูดีๆไปแล้วเนี่ยฮะสักพักหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาอีกล้มันจะรู้สึกว่าเอาสักหน่อยนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันมันเหมือนเหมือนมันยังให้ค่าเราเรายังไม่เห็นโทษของมันครับ อย่างใจเราฟุ้งซ่านหลงไปเงี้ยถ้าเราเห็นว่าหลงไปตามกิเลสแล้วนำความทุกข์มาให้นะเราจะไม่เห็นว่าเป็นคุณละแต่เราจะเห็นว่าเป็นโทษตอนนี้เรายังไม่เห็น<ช>นะ<ช>เราก็ยังหลงอรรถอร่อยในกามคุณอารมณ์อยู่อย่างนี้เออหลวงพ่อมีอะไรแนะนาที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะเราก็ไม่ต้องรีบละกามนะให้รู้ไปอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ไปที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะจิตของคุณมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้ว แล้วในผมผมผมผมถามในเชิงสมถานิดหนึง่งแต่เดิมผมก็นั่งเพ่งใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเราดูมันเหมือนมันปรับโหมดได้ฮะอันนี้โหมดตรงนี้เป็นความคิดอันนี้เป็นความรู้สึกตัวอบางทีมันก็ปรับปรับโหมดไปตามตามตามลักษณะความรู้สึก ถ, ถ้ามันปรับของมันเองนะมันก็เดินปัญญาได้ถ้าเราจงใจในขณะ น, นี้ฟุ้งซ่านเราปรับโหมดมาสู่ความสงบอันนี้ก็เป็นสมถะนะ แต่จนถึงที่สุดแล้วมันเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งอย่างเงี้ยฮะแต่เดิมที่เราเพ่งใช่ไหมฮะหรือมันเหมือนเราจะชนะความเพ่งเราแต่เดี๋ยวนี้มันก็เราเราดูดูจนเห็นความเบื่อเราก็ดูได้ว่าความเบื่อมันจะไปจบที่ไหนอแต่สุดท้ายเนี่ยมันมันแพ้มันมันเหมือนกับว่ามันเราไม่เอาจริงสักทีอะฮะมันเหมือนกับความเอาจริงเนี่ยมันเวลารู้สภาวะนะอย่าถลําลงไปรู้นะดูห่างๆมันจะหายทันทีอันนี้ที่ดูแล้วไม่หายเพราะเรากระโจนลงไปคลุกอยู่กับมัน มันเหมือนกับบางทีเราถอนมาแล้วเหมือนกับว่าเราไม่เอาจริงกับมันนะฮะเหมือนกับราใจบางทีมันก็ป้อแปะไปว่าก็รู้ทันน ะ, นะอย่าทอแท้จใจที่ฝึกอยู่แล้วพอใช้ได้ละครับเดี๋ยวเ <ขอ S 2> มื่อกี้ใครยกมือไว้มีไหมทางด้านนี้เนี่ยทางนี้เนี่ยทางนี้ยกมานานละเดี๋ยวด้านนี้ก่อนบางคนอยากได้ใหม่นะแล้วใม่ใหม่ไม่มาช้าก็ไหม่มาแล้วอยากโขกหัวคนอื่นมีความดูร้ายแอแฝง อะครับกราบนำ้ำระสการหลวงพ่อครับก็มาวันนี้เพิ่งมาเป็นครั้งแรกความจริงี่ก็ได้ซีดีของหลวงพ่อมาเกือบครึ่งปีแล้วแต่ยังไม่เคยเปิดดูเลยอืน่าสงสารจังดูสิความสุขหายไปตั้งครึ่งปีก็ยังไงก็นับตั้งแต่วันนี้ไปก็คงจะจะไปดูแล้วก็ไปฟังจริงๆแล้วอืแต่ ที่มาวันนี้ก็อยากจะขอคำแนะนําจากหลวงพ่อไปฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองไปครับอะไรๆก็สู้การที่เรารู้ทันจิตใจของเราไม่ได้หรอกเพราะใจนี้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสําเร็จด้วยใจจะดีหรือจะชั่วยอยู่ที่จิตนเองมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่จิตที่ใจเรานี่เองนะคอยเรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆครับขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามนะครับก็ปกติในกรณีที่จะทํางานชิ้นสําคัญสําคัญ สำหรับตัวตัวผมเองนั้นเวลาจะเตรียมตัวค่อนข้างดีมากๆแต่พอเอาถึงเวลาเข้าจริงๆแล้วผมคิดว่าได้แค่ 50% เปอร์เซตของการเตรียมตัวไปก็อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อฝึกสติวไว้นะฝึกสติของเราไปสติจิตใจเราตัอมีสติมีความตั้งมั่นขึ้นมางานมันดีขึ้นอย่างหลวงพ่อนะเมื่อก่อนทำงานเลื่อนสี่เร็วมากเลยปั๊บป๊๊ปเลื่อนไปเรื่อยๆนะไม่ได้วิ่ง้วยนะเขาให้เอง อย่างเวลาทํางานวิเคราะห์อะไรยากๆสักชิ้นหนึ่งนะลงมือเขียนนะบางทีผู้ใหญ่มายืนรอเลยนะเราขีเสร็จปริ้นออกมาเขาจะเส็จแล้วทําไมเราทําได้สมาธิเราดีจิตใจเราตั้งมั่นข้อมูลนี่มัอยู่พร้อมอยู่ในหัวสมองเราอยู่แล้วถ้าใจเราตั้งมั่นท่านึงเราก็ถ่ายทอดออกมาเป็นลําดับมันจัดลําดับให้เองเลยนะงั้นเวลาเราพรีเซนต์เวลาเราทําอะไรนี่มีลําดับของมันเอง ใครฝึกนะแล้วฝึกสตินี่แหละเอาไปใช้กับทางโลกได้อย่างดีเลยฝรั่งมันถึงจะเสียเงินไปเรียนนะเข้าคอร์สแพงๆเพื่อจะเอาไปทำงานไหนอยู่ที่ไหนอีกเธออยู่ไหนอ๋ออยู่โน่นบอกสิฉันอยู่โน่นไปโน่นโน้นโนนทางโน้นโอ้เพิ่งจะก้าโมงสบดนึกว่าใกล้สิบโมง งานมรดการหลวงพ่อค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ค่ะยืดๆหน่อยมองไม่ค่อยเห็นละคือหนูยังทราบว่าที่หนูปฏิบัติอยู่อะค่ะไม่ทราบว่าคือทําถูกแลหรือยังคอยดูกิเลสนะเห็นกิเลสเยอะไหมเยอะค่ะยิ่งเยอะยิ่งดีแต่รู้แล้วก็อย่าไปแทรกแซงมันนะนี่ใส่เดิมคุณขี้โมโหมันโมโหแวบก็รู้โมโหแวบก็รู้นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยไม่แทรกแซง เราจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวกิเลสมาแล้วก็หายไปมาแล้วก็หายไม่บังคับค่ะแล้วก็อยาก <c oughs> ให้หลวงพ่อช่วยแนะนาน้องสาวกับลูกสาวค่ะวันนี้พามาด้วยอะไรเงี้ยในลูกสาวลูกสาวเป็นฝาแ่งนะคะอ๋อคนนี้กําไรนะคือก็องั้นตอนหลังเนี่ยคือคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องไงคะแล้วเขาแบบเหมือนกับคนไม่มีสเติอ่ะบางทีคุยแล้วจะทะเลาะกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะหลวงพเคยแก้ปัญหาบ้านหนึ่งนะค่ะ แม่มีปัญหากับลูกหลวงพ่อเพราะว่าถ้าหลวงพ่อแก้ที่แม่ได้ลูกก็หมดปัญหาไปเลย <laughs> บางทีมันไม่ใช่เราไม่เราก็ไม่เข้าใจเด็กนะเด็กมันก็ไม่เข้าใจเราเป็นธรรมชาติอะธรรมดาอย่าคิดมากเคยถามเขาไหมคะหลวงพ่อว่าแบบเอ๊ะทาไมเราคุยกันไม่รู้เรื่องเลย อ, อะไรอย่างนี้ค่ะแล้ล่าสุดเนี่ยคือเขาบอกเองเลยว่ามามาอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงคุยกันหนูไม่รู้เรื่องเพราะว่าเวลาทีา่หมามาสอนอะไรนะหนูรู้นะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆ อ, อะไรอย่างนี้คะแต่ว่าเป็นเพราะว่าหมามาอยู่ใกล้ชิดหนูไงหนูเลยไม่อยากฟังอ ก็เลยแบบว่าคืออยาใหห้ความว่ายังไงนะหมายถึงว่าเราจะสอนอะไรเขาก็รู้หมดแล้วคือเหมือนกับว่าเขาทราบแล้วว่าอย่างเตือนอะไรเขาก็ตามอะไรอย่างการคบเพื่อนเออะไรอยังไงว่าเราจะเตือนเขาว่าการคบเพื่อนนี่มันสําคัญมากซึ่งสําคัญจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้อยู่แล้วคือเพื่อนไม่ดีอะไรเงี้ยแม้กระทั่งอาจารย์ก็เตือนสอนให้เขาฝึกสติสินะ เขา <ฮะ S 2> มีสติมีปัญญาขึ้นมาเขาก็ารู้จักเลือกคบคนคือสอนเขาเสมอเลยค่ะลุงพ่ออะไรเงี้ยค่ะยังบอกเขาเลยว่าเขาเหมือนคนไม่มีสติอะทําทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ดีไม่นะดูเขามีสตินะแล้วคือ <c oughs> พี่ <c oughs> น้องที่บ้านทุกคนยังบอกหรือว่าเหมือนเขาแบบคือบางงบาทีที่เขาทาผิดเขารู้แล้วว่าผิดอพอผิดเนี่ยพอกลับมาจะถามเขาว่ารู้อยู่แล้วว่าทําผิดแล้วหนูทํําาาไมมมมแแลลล้้้้้้้ววันนนนนเเเเป็รื่่่อออองงซๆดดิยยยยะีหหบบกใใตง กอดเขาให้เยอะขึ้นโอ้เยอะนะคะพราะเลาเขามากอยู่แล้วอะไรอ่างี้แต่เหมือนกับเขาแบบเด็กยังไม่รู้นะว่าแม่สําคัญยังไงล่าสุดเขาบอกนะคะบอกว่าถ้าวันไหนแม่ตายนั่นเด็กถึงจะคิดถึงเขายังบอกเลยว่าคือล่าสุดนี่คือคุยเขาเขาบอกว่าเนี่ยมามารู้ไหมว่าหนูเบื่อความเป็นห่วงของมามานั่นแหละมันมากเกินไปอะไรอย่างนี้นั่นแหละเราก็ต้องรับฟังนะสมัยหลงพ่อเด็กๆหลงพ่อเขาเฮียวนะเอ ผู้ใหญ่เตือนนะรู้แล้วพอขึ้นตรงนี้นะเดี๋ยวก็ต้องลงตรงนี้ <laughs> ไม่ต้องเตือนเราเราก็รู้ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ไม่เห็นว่ามันจะเสียหายนะ <c oughs> ทั้งๆ ท, ที่จริงๆพอผู้ใหญ่เตือนมากๆเราลาคาญมันเป็นธรรมชาติอะอะไรที่ถูกบังคับมากไปก็เบื่อ <c oughs> นี่มันเป็นช่องว่างนะช่องว่างเรามีความรักให้เด็กเด็กต้องการมีชีวิตของตัวเอง นี่ทำไงเราจะคอยดูแลให้เขาเติบโตไปเท่านั้นเองให้ให้เขาเรียนหนังสือมีความรู้ให้เขามีธรรมะคุ้มครองใจของเขาเราให้ได้แค่นี้ก็ดีถมไปละ <c oughs> เด็กๆนะอยากให้แม่บ่นน้อยๆเชื่อหลวงพ่ออย่างนะเปิดซีดีหลวงพ่อไว้แม่จะไม่บน่น <c oughs> มีนะมี <c oughs> มีบ้านหนึ่งวันนี้มาหรเปล่าเดี๋ยวดูก่อน ไม่เห็นนะถ้ามาก็แล้วไปไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะมีอยู่บ้านนะผู้ชายภรรยาเนี่ยดุหน่อยเวลาขึ้นรถเนี่ยผู้ชายนะจะรีบเปิดซีดีหลวงพ่อเลยเหตุวันหนึ่งถามเปิดแล้วเงฟังมัางเปล่าเปล่าผมเปิดเป็นอุบาย <c oughs> <c oughs> เวลาเปิดนะทุกคนที่นั่งรถเนี่ยต้องเรียบร้อยสำรวม <c oughs> ไม่มีใครบ่นผมเลยนะ <c oughs> เด็กคู่เนี้ย ไปเปิดซีดีหลวงพ่อไปนะแม่จะได้ไม่บ่นคือเปิดให้เขาฟังทุกวันแต่เขาก็ไม่ฟังเลยเขาไม่ฟังเพราะเราบังคับเขาคือแบบเด็กที่มาอยู่วัดหลวงพ่อเนี่ยเยอะนะเราหลวงพ่อถือหลักเลยหลวงพ่อไม่บังคับเด็กเด็กจะรับธรรมะได้เมื่อเด็กพร้อมถ้าเด็กไม่พร้อมอย่าไปยัดเยียดเด็กไม่ใช่งูนะเคยเห็นเขาเลี้ยงงูไหม จับบีบปากนะเอาครีมขีปเนื้อยัดใส่ปากมันกระทุ้งกระทุง้งตัวนี้โตหน่อยให้3ามก้อนตัวนี้เล็กหนึ่งก้อนอะไรเงี้ยให้เด็กมันเติบโตเป็นธรรมชาติมากกว่านี้หน่นะเด็กมันจะได้มีความสุขคือก็เลยต้องแก้ที่ตัวหนูเองใช่ไหมคะใช่ <laughs> เวลาดูจิตนะ <laughs> เวลาเรากลุ่มใจเวลาเราห่วงลูกนะดูใจเรา เชื่อหลวงพ่อสิดูค่ะหลวงพ่อแล้วก็คือรู้ว่าเราห่วงเขาแล้วเขก็ห่วงเราห่วงจริงๆนั่นแหละดูลงไปเรื่อยๆนะใจเป็นห่วงก็รู้ใจกังวลก็รู้ใจเสียใจน้อยใจลูกไม่ฟังเราเราก็รู้นะเราเคยรู้ของเราเราเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะพอจิตของเราดีแล้วคราวนี้ลูกจะเข้าหาเราเองอ่ะตอนนี้ลูกไม่เข้าหาเราเพราะเขาทนความหงุดหงิดไม่ไหวนะที่ว่าปีให้คนอื่นมั่ง เดียวกลายเป็นคอสเลี้ยงลูกส่งมาด้านหน้าทางโน้น้างหลังทางหลังก่อนนั่นยกมานานแล้วนะคือเมื่อก่อนเคยปฏิบัติดีอยู่ช่วงนึ่งครับแล้วก็รู้สติตลอดประมาณตั้2สอสามอาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ละไม่ได้ปฏิบัติไปเนื่องจากว่าต้องทํางานทํางานเลยแล้วพอจะกลับมาปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับรู้สึกว่ามันยากขึ้น ใช่ถ้าเราทิ้งนะเรามาเริ่มต้นใหม่ ย, ยากเราทำงานเนี่ยถ้าเราไม่ใช่ทำงานที่ต้องคิดนะเราทำงานที่เคลื่อนไหวร่างกายเราสามารถดูจิตใจของเราไปได้เลยหรือดูกายดูใจไปแลยพยายามฝึกตัวเองให้สามารถมีสติอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยนะฝึกบ่อยๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะคอยรู้สึกตัวบ่อยๆไปเรื่อยๆถ้าฝึกอย่างนี้อยู่สม่าเสมอนะนั่งสมาธิจิตก็รวมง่าย พยายามรู้สึกตัวทั้งวันนะนะครับแล้วที่ปฏิบัติอยู่นี่พอใช้ได้ไหมครับหลวงพอ่อหรืออยากให้ชมไหม <c oughs> <c oughs> หรืออยากได้ความจริงอยากได้ความจริงครับออพอใช้ได้ต้องไปดูอีกนะครับขอบคุณครับใจเรามันโซนโซนเมันดื้อด้วยนะให้รู้ทันมันไปขอบคุณครับนี่น้ำมันสะบัน้มัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ฟังที่ดีหลวงพ่อมาไม่นานแล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติบ้างที่เห็นบ้างคือเห็นว่าตัวเองใจชอบแว บ, บไปคิดแวบบไปคิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่เห็นกิเลสตัวอื่นมากนักแล้วก็ไม่ไหวเนตัวนั้นนะยอดเยี่ยมที่สุดละความโให้ดูอย่างยิบไปเรื<ล> <ๆ S 1> ่อยๆความโกรธอะไรเนี้ยนะเกิดตามหลังการหลงคิดต้อหลงคิดก่อนนะถึงจะเกิดเคยมีคนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าวันนี้ไปถามแปลก ไปถามพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามราคะหรือไม่แน่าไปถามพระอรหันต์นะไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีกามราคะหรือไม่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่มีกามราคะเพราะเราไม่มีกามวิตกต์เห็นไหมท่านเป็นเหตุเป็นผลหมดเลยไหมถ้าท่านมีกามวิตกต์ท่านก็จะมีกามราคะแต่ท่านไม่มีกามวิตกทําไมท่านไม่มีกามวิตกต์เพราะไม่มี ราคาอนุสัยไม่มีอนุสัยของกามท่านก็ไม่คิดเรื่องกามเพราะฉะนั้นตัวกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะอนุสัยอยู่เบื้องหลังนะตอนที่มันทํางานขึ้นมาเนี่ยอาศัยความคิดเพราะฉะั้นการที่คุณเห็นจิตหลงไปคิดคุณเห็นตรงนี้เก่งแล้วนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ฝึกอยู่แค่นี้เองจิตหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดเรารู้ไม่ห้ามมันไม่ว่ามัน หลงไปคิดแล้วรู้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วรู้สึกว่าจิตไม่ตั้งมั่นควรจะต้องนั่งสมาธิให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่ น, นอยาก ใ, <ช>ให้จิตตั้งมั่นรู้ว่าอยากนะเอาไปปุวว่<อ>ประตูะนู้นเลยนูนหมอท้อเบื่อแล้วก็ไปคือธรรมชาติพอดูหรือคุยไม่ว่าจะเป็นของภายในหรือของภายนอกเนี่ย มันมีการไหวตัวอยู่ตลอดเวลาถูกต้องแล้วแต่เราไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันมันเป็นสมมูติทั้งนั้นมันก็จะมีความชัดเ <ขอ S 1> จนเพราะคุณจะไปติดปัญหาอยู่ที่คิดเยอะไปนะเ<ะ>อาคุณปัญหาใหญ่เลยที่ขวางคงคุณไว้ตัวร้ายที่สุดนะคุณชอบคิดคุณอยากคิดเยอะนะคุณรู้ความรู้สึกให้เยอะไปเนี่ยเป็นจุดอ่อนของคุณนะปัญญามันล้ํมไปปัญญามันล้ําหน้าไปอดทนนิดนึงนะ หลวงพ่อบอกตรงๆเลยนะครับอย่าไปหลงกับความคิดของเรานะค่อยรู้ความรู้สึกของเราไปนะไปฝึกเอานะอะมาทางนี้ข้างหน้ามาข้างหน้ายกไว้ยกไว้เบอร์าสามสิบสามยกไว้ยาวลงเราลงแล้วมันหาย กลับนมาสการหลวงพ่อค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาพอๆกับ น, น้องสาวอะค่ะแล้วก็ฝึกดูจิตว่าใจลอยไปแวบไปแล้วก็ใจหงุดหงิดอย่างเวลาที่เราได้ยินใครพูดอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะแค่ดูใจตัวเองว่าเออเราหงดหงิดแล้วนะแล้วเราก็พอจบหรือว่าเราควรจะที่จะบอกคนที่เราได้ยินเนี่ยค่ะว่าอย่าพูดอย่างนี้อีกนะหรือว่ายังไงหรือว่าควรจะแค่ดูใจตัวเองอย่างเดียวอะค่ะงานของเรามี2งงานนะ งานทางโลกกับงานทางธรรมงานทางธรรมเราก็รู้ทันใจของเราก่อนนะไม่มีไบแอชแล้วบางทีที่เขาว่าเราก็จริงเหมือนกันใช่ไหมเราดูใจของเราก่อนนะพอใจเราไม่มีกิเลสไม่มีไบแอชแล้วเราก็แก้ปัญหาทางโลกถูกเขาว่าเพราะอะไรนะก็ลองไปแก้ปัญหาเอาถูกเขาใส่ร้ายหรือว่าเ้าต้องการเตือนเราหรืออะไรแน่ต้องไปวิเคราะห์ดูนะแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นก็ไปแก้เอาไม่ใช่ว่า อยู่ๆคนเขาด่าทั้งประเทศเลยแล้วก็ดูจิตชันอย่างเดียวอุเบกขาอย่างงั้นทําผิดนะปัญหามันมี2 อ, อันอันแรกแก้ทางใจของเราก่อนอันที่2ทางโลกมันเกิดจากอะไรไปแก้เอาค่ะแล้วหรือว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าเขาทําไม่ดีอย่างนี้ค่ะสมมติว่าเราเห็นเขาฆ่าสัตว์หรืออะไระแบบนี้ค่ะเราก็ไม่พอใจเราก็ดูใจว่าโอ้ยเรารู้ว่าเราไม่พอใจแล้วแล้วเราควรจะต้องบอกเขาไหมคะว่าเอออย่าทำแบบนี้นะถ้าบอกได้ก็บอก บางคนยิ่งบอกมันยิ่งโมโหยิ่งฆ่ามากขึ้นเราก็ต้องดูว่าคําพูดของเราเนี้ยเราประกอบด้วยเมตตามีความหวังดีเล็งเห็นประโยชน์ว่าเขาไม่ควรไปฆ่าสัตว์เป็นประโยชน์กับเขาเองนะแต่ว่าพูดไม่เหมาะกับกาลเทศะก็ไม่ได้ใช่ไหมพูดไม่เพราะก็ไม่ได้พูดแล้วเรามองออกเลยว่าเขาไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปพูดค่ะมีอีกคําถามหนึงนะคะอย่าสมมติว่าทำร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้ว สมมติว่าเราอาหารก็คือที่เรากินธรรมดาแต่ว่าอย่างเราทำํำร้านอาหารแล้วก็ต้องทําจานอาหารให้มันดูดีดูน่ากินอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นบาปไหมอะคะมันเราไปเพิ่มกิเลสให้คนอื่นเขาหรือเปล่าอะคะก็ต้องให้ดูดีสิสกุลปลุกใครเขาจะกินคือแค่ดูสะอาดมันก็โอเคใช่ไหมคะส ม, มมติว่าเราตกาาแต่งจานาาด้วยจะทํานะคะเราต้องให้สวยไปนะเอาให้ดูดีๆไว้ไม่ได้เป็นกิเลสนะ ราคาก็อตอนแรกกลัวว่ามันเป็นการทำให้คนอื่นแบบหลงไปทางตาเวลาเขาเห็นแล้วทั้งนั้นต้องทำอาหารให้ไม่อร่อยด้วยจะได้ไม่หลงทางลิ้นก็คือกลัวว่าทำไปแล้วทำให้คนแบบหลงไปทางรสชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่เป็นไรเปิดร้านอาหารไปนะแล้วก็แทนที่จะเปิดเพลงนะเปิดซีดีหลวงพ่อแทน แต่ถ้าเป็นต่างชาติก็จะฟังได้หรือเปล่าคะพ่อมันฟังไม่ได้หรอกแต่ว่าทําได้นะคะทำไม่ได้ไม่ได้เป็นการเพิ่มกิเลสอะไรให้ใครไ ม, ไม่ไม่เพิ่มนะไปทําตามหน้าที่นะต้องดูให้ออกนะเรามีหน้าที่ทํามาหากินต้องทํามาหากินให้ได้เป็นขลราชมีหน้าที่ทำมาหากินรวยได้ก็ต้องรวยนะแต่ไม่ได้โกงเขาไม่ใช่ว่าชาวพุทธต้องอนาถายากจนตลอดไม่ใช่ค่นะครัขบขอบคุณหลวงพ่อค่ะ อาทรงมาข้างหน้าข้างหน้าจะหมดไหมเนี่ยเหลืออีก8นาทีได้สามคนนะหนึ่งสองสามที่ยกไปแล้วที่เหลือห้ามกลับใ น, นมรดการหลวงพ่อนะคะคือหนูเนี่ยออชอบที่จะหลงไปคิดเรื่องเก่าๆที่มันทําให้ทุกข์ใจอะคะอ่ะหนูก็ตามรู้ไปแล้วทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะแบบ ปวดหัวขึ้นมาที่คำมาบอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าหนูปฏิบัติผิดหรือว่าเป็นเพราะหนูชดใช้วิบากกรรมเวลาใจมันหนีไปคิดถึงอดีตเราห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เราก็รู้ไปว่ามันหนีไปคิดแล้วรู้แค่นี้พอนะแต่ถ้าเราไปเกลียดเราไม่อยากจะคิดตรงนี้แหละที่คุณเป็นพอคุณไม่ชอบที่มันไปคิดเรื่องนี้นะมันเลยเครียดเครียดเลยปวดหัวไปเลย ไม่ใช่วิบกวิบากอะไรหรอกวิบากใหม่ๆนี่แหละก็คือเครียดค่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งคือตอนหนูกําลังจะแปรงฟันนะคะหนูแบบเห็นแบบว่าเหมือนมือมันเคลื่อนไปเออมันไม่ใช่เราแล้วนะตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าหนูยังใช้สองตาดูอยู่นะคะมันไม่ใช่ออกมาเออเราก็ดูด้วยตานี่แหละรู้สึกไหมรู้สึกไหมไม่รู้ตัวอะไรค่ะมันไม่รู้รู้สึกไหมทำไมมันมีแฉกแฉกนี้ใช่คือมันจิต จิตผรูนี่ไม่ต้องแยกออกมาข้างนอกใช่ไหมคะตรงนั้นน่ยแยกแล้วไม่ใช่แยกออกไปอยู่นอกร่างกายนะหมายถึงเราเห็นเลยไอ้นี่มันเป็นของถูกรู้ใช่ไหมใจเราเป็นคนรู้อยู่ต่างหากใจไม่ต้องออกไปอยู่นอกกายใจอยู่ในนี้แหละแต่เห็นเลยอ้นี้มันไม่ใช่ตัวเราแล้วนี่ยทั้งตัวนี้ไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้อย่างนี้เรียกว่าแยกแล้วอ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะผมขอมาส่งมาข้างหน้านะแล้วเดี๋ยวอยู่ทางนี้เบอรเก้าของคุณนั่นแหละก็ ผมรู้ว่าเมื่อครับแต่ยังรู้ไม่ค่อยบ่อยครับไปไหนมาไม่ค่อยเห็นนะก็อยมไหนครับอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพมาบ่อยหน่อยครับเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนแล้วรู้สึกไหมเขาภาวนาชํานี้ชํานาญนะครับเราดูของเราบ่อยๆฟังซีดีหลวงพ่อได้ๆแล้วสังเกตจิตไปเรื่อยๆนะครับดูอย่าทิ้งนะครับเอามานี่หลนนี้หมดยังแล้วตอนนี้ ต้ อ, อนนี้จิตมันไม่มีกำลังครับเพราะงั้นฟังธรรมะบ้างมาวัดบ้างถ้ามาได้นะครับอขอบคุณครับเบอร์เก้าเบอร์เกครับเมื่อเช้าตอนขี่รถเข้ามาตรงนี้แล้วก็พี่ชายก็พูดว่าดีใจจังที่ถ้าแม่ยังอยู่แม่คงดีใจที่เห็นว่า สคนนี้ขยันมาวัดอะไรเงี้ยก็แม่<ผ>มนึกไม่ถึงเลยผมก็ปิติขึ้นมาเลยแล้วแบบว่ามันมันก็เออเ อ, อมาที่ตาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้องไห้อะไรนะแล้วก็เห็นมันค่อยๆดับไปอแล้วก็ผ่านไปคิดถึงถึงเรื่องว่าพอกลับไปทีไรก็ได้คุยกับพ่อแล้วพ่อนี่ก็จะเป็นแบบว่านั่งสมาธิแบบเพ่งนะฮะแล้วเขาก็จะพยายามสอนสอนธรรมะผมแล้วผมก็เอาซีดีของหลวงพ่อไปให้เขาฟังแล้วเขาก็เถียงผมแล้วผมก็ ความจริงเขาคงเทียงหลวงพ่อครับ <laughs> ใช่ฮะผมก็รู้สึกว่าเวลาเวลาผมไปเถียงกับพ่อผมเนี้ยผมก็เห็นอัตราของผมมันขึ้นมาแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้พ่อก็ไม่ยอมลดอัตราของเขาเลยยิ่งยิ่งเขาอัตราของพ่อเขาเรื่องของพ่อนะ <laughs> อัตราของเราจะทําเราตกนรกนะ <laughs> <laughs> ก็ก็เลยเลยรู้สึกว่าบางบางทีแล้วเราเราไม่ควรไปเถียงเขาแต่เขาก็ไปไม่ถูกทางเรา รเราจะ<ง>แนะนํำทำ ม, มากใครเราต้องดูว่าเขาพร้อมจะรับไห ม, มนะไม่งั้นมีโทษนะไม่ใช่มีแต่คุณครับอ่ะคุณแต็มส่งกันบ้านได้อีกสองคนแต็มก็ตามรูปธรรดูของพ่อตอนนี้พยา่ทำทำในรูปแบบทุกวันนะ น, นะคะจิท<ต>นา น, นี้ไม่ธรรมดาถูกไหมค่ะมีหมูกระดาษใช่ไหมท่ามี ม, มีแต่ว่าใจเราอะมันออกไปจ้าจ้าอยู่แถวเนีนะ้ใจมันไม่ตั้งมั่นเข้ามามันไปจ้าอยู่ข้างนอก ดูออกไหมยังไม่เคยรู้สึ ก, ออกไหมมันไม่ย้อนมันไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจเหล่านี้มันดูอยู่นอกนอกต้องทํำยังไงคะจริงๆก็คือสมาธิมันอ่อนไปนะทําในรูปแบบหรือไม่ก็ทําสมถะพยายามทําอยู่นะคะหลวงพ่อแต่ว่าถ้าถ้าทําอยู่แล้วนะจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ดูไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันเข้าเราก็รู้ทันว่าจิตไม่เข้าที่เดี๋ยวมันเข้าเองเอ้าวดาว พ่ออีกงิดแล้วไหมคะมจิตรวมนี่ต้องต้องทุกคนต้องทําได้ในเวลาที่นั่งสมาธิเปล่าคะหรือว่าเฉพาะบางคนไ ม, ไม่จําเป็นนะรวมก็รวมไม่รวมก็ช่างมันรวมก็คือเป็นการสงบมันรวมอยู่ในอารมณ์มันเดียว น, นั่นเองไม่ใช่ขาดสตินะจิตลงไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวมีเอกคตา น, นั่นเองอ้าวดาวตอนนี้มันพยายามกดอยู่ค่ะหลวงพ่อพยายามกด<อ>มันทําไม ไม่ชอบแล้วก็วันนี้มีโมหาค่ะแล้วก็พอเวลาเห็นมันก็โลง่งแล้วมันก็จะกลับมาคลุมแต่ที่ตัวที่รู้เนี่ยก็เป็นตัวที่ไม่มีแรงอะค่ะถูกต้องแล้วใช้ได้อาคุณตร ง, งเงินบ้านคุณตรงไปนักฟันสวรรค์มาใช่ครับครั้งแรกเป็นไงเขารู้เรื่องไหมก็ในกลุ่มก็พอพอจะรู้เรื่องบ้างนะครับแต่ก็ยังติดสมถะเยอะครับ แล้วก็เป็นครูก็มักจะถามคําถามเกี่ยวกับว่าทําไงเด็กมันดื้อจะทํายังไงอะไรเงี้ยครับเนีย่นยต้องแก้ที่ครูแก้ที่ครูดูเนี่ยมีครูครูไหวมาไหมูม่ไหนนี่นี่นี่ครูตัวอย่างโหเทียมอมหิดพอภาวนานะเดี๋ยวนี้เด็กไม่ดือ้อแล้วก็รวมๆก็ก็ดีครับเราก็ได้เรียนรู้ตัวเองด้วยครับดีลคนะคุณตองนะกลับกันครับอเชิญกลับบ้าน